วันวานวันก่อนหลวงพ่อได้รับนิมนต์ลงไปที่งานหลวงปู่ฟักสันติธรร ม, มวัดเขาน้อยสามผานจังหวัดจันทบุรีที่เป็นลูกพี่และรุ่นพี่ของหลวงพ่อที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาขององค์หลวงตาเป็นลูกศิษยานุสิทธิ์ของหลวงตาฝ่ายพระและฝ่ายฆราวาสไปรวมกันสวดอภิธรรมองค์หลวงปู่ฟักเพื่อจะหาจตุปัจจัย ร่วมสมทบในงานของท่านด้วยก็มีพระครูบาอาจารย์ไปมากเหมือนกันนะเกือบครบหน้าครบตากันบางัานนะเมื่อวันที่ยี่สิบนะก็ได้สวดะพิธรรมแตวันที่ยี่สิบเอ็ดมืนะ่อวานเนี่ยฉันจะหาเสร็จแล้วพ่อก็ได้ลากลับมาวัดมาถึงวัดกเกือบสี่ทุ่มเมื่อคนะืนสี่ทุ่มกว่าเมื่อคนะืนนมาถึงวัดสี่ทุ่มกว่า ออกจากที่นุ่นเก้านาฬิกามันก็ไกลพอสมควรเหมือนกันนะจากจันทบุรีมาถึงวัดของเราเนี่ยแล้วก็ฟ้าฝนก็ตกเป็นระยะระยะระยะไปเห็นรถมันรื่นประสบอุบัติเหตุในถนนก็เห็นแล้วก็เสียวเสียวเหมือนกันแล้วอะ่ะอไม่ว่ารถเขารถเรามนะันเป็นไปได้ทั้งนั้นเละถ้ารถตัวเองดีก็เถอะถ้าเขาวิ่งมาเฉียวเขาเสียหลักมาชนเราเนี่ย ใครจะไปห้ามเขาได้เหมือนกันน่ะในวันรถภัยวิบัตในถนนเน่ะไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันถ้าคิดคิดดูแล้วทำมันตายทีเดียวมันก็ไม่เป็นไรชนแล้วก็ตายแล้วก็จบไปแต่ชนแล้วขาหักแขนหักสมองพิการเนเป็นอมาพึกอมาพลาดจุดนั้นแหละเราที่เรากลัวมากกว่างั้นแตแต่จะกลัวก็ทำยังไงก็ตทองทิ้งให้กรรมกรรมคือการกระทา ถ้าเราทำกรรมไม่ดีเอาไว้มันก็ต้องได้รับมนแล้วแต่ถ้าเราทำกรรมดีเอาไว้แล้วก็กรรมดีก็จะต้องให้ผลทวกเราทุกวันนั้นมันอยู่ใต้กรรมทั้งนั้นแหะกรรมทุกคนอยู่ใต้กรรมถึงจะมีอภินิหารมากขนาดไหนก็เหนือกรรมไม่พ้นหนีกรรมไม่พ้นอย่างพระโมกขลานะท่านมีอภินิหารเหาะเหินเดินฟ้าได้ เป็นอ克拉สาวกข้างซ้ายของพระพุทธเจา้าแต่ถึงยังไงท่านก็ยอมรับสยบต่อกรรมคือการกระทาของท่านเพราะในอดีตชาติของท่านท่านเคยได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ท่านเพราะเชื่อฟังคำพัญญายุยงแลท่านก็ไม่ได้คิดแต่ตรองไว้ก่อนเกิดอารมณ์ชั่ววกูกโมโหโธโส ข, ขึ้นมาแบบกระทันหัน ยับยั้งไม่อยู่ท่านก็เลยได้ทํากรรมหนักเอาไว้ในอดีตชาติท่านจากนั้นมาท่านก็เมื่อทําไปแล้วเกรรมชั่วอย่าทําเสลดีกว่าเพราะกรรมชั่วย่อมให้ผลติดตามให้ผลติดตามต่อเนื่องเรื่อยเมื่อภายหลังเมื่อท่านได้ทําไปแล้วท่านก็จะได้รับท่านก็ยินให้เข้าว่าออสยบ ยอมรับบางกนรแอะถึงจะยอมรับไม่ยอมรับมันก็ได้รับจะทำยังไงเพราะตัวเองได้ทำไปแล้วเหมือนกับเราไปฆ่าไปป้นคนอื่นเขานะแต่ตัวเองไม่อยากจะเข้าคุกมันก็ต้องได้เข้าคุกเพราะอะไรเพราะตัวเองไปทำมาแล้วตัวเองทำผิดไปแล้วจะไม่เข้าคุกจะไม่ยอมเข้าคุกได้ยังไงพราะเพราะเหตุอะไรเพราะตัวเองทาแล้วนี่ก็เหมือนกัน ในเมื่อเราทำแล้วเราก็ต้องรับกรรมที่ตนได้กระทำเพราะนั้นจะทำสิ่งไหนก็ตามต้องคิดให้ดีสะก่อนอย่าทำแบบบู๋ววามอย่าไปทำตามอารมณ์อย่าไปทำคิดเนี่ยสนุกสนานเขายุยงแล้วก็ทำไปถ้าทำไปแล้วนั่นหละกรรมตัว น, นั้นแะจะตามสนองเมื่อภายหลังเราหลีกลีหนีไม่พ้นหละจะเลยเพราะนั้นขอให้พวกเรา เชื่อกรรมในหลักของพระพุทธศาสนาเชื่อกำเชื่อผลของกรรมเพราะนั่นยาทํากรรมชั่วให้ทําแต่กรรมดีอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนามาอยู่ในป่ารงพงไพ่มาอยู่ในที่กันดารไม่ใช่ที่สนุกสนานไม่ได้ฟังร้องรําทําเพลงไม่ได้ทานอาหารตามที่ต้องการไม่ได้อยู่ แบบอิสระแต่เข้ามาฝึกหัดดัดนิสัยมาเพื่อฝึกหัดดัดนิสัยนิสัยของเราเป็นนิสัยเกเร น, นิสัยชอบสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาแต่บัดนี้เราเข้ามาบวชเป็นพระเป็นเนนเราก็มาให้อยู่ในกรอบสิ่งไหนที่มันไม่ดีในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าบอกไม่ดีเราต้องฟังคำของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ดีเราก็ต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเอาไว้แล้วก็มาวิเคราะห์อีกไม่ดีอย่างไรที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ดีอย่างไรเราก็นํามาคิดอีกไม่ใช่ว่าพระ พ, พุทธเจา้าท่านตรัสไปแล้วเราก็เชื่อตามพระพุทธเจา้าเขาไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอีกท่านว่าให้คิดดูกนะอย่างฆ่าสัตว์อย่า ง, างนี้ถ้าเราไปฆ่าเขาเขามาฆ่าเราดีไหม ไม่ดีไม่ดียาธทอแต่ทําไมพระพุทธเจ้าจะไม่ให้ฉันอาหารในเวลาวิกาลทั้งที่คนกินข้าวกันทุกคู่ทุกค น, กคนแต่เข้ามาบวชแล้วทําไมไม่ให้กินไม่ให้ทานอาหารไม่ให้รับทานอาหารตั้งแต่เที่ยงแล้วไปเพราะอะไรพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าอาหารน่ยมันไม่ต้องการอะไรมากหรอกทานอาหารมื้อเดียวก็เพียงพอสําหรับคนคนหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงเพียงพอ ้านานะ้ำาน่ยเออจัดเป็นน้ำอะไรเสริมเข้าไปอีกนั้นได้แต่อาหารน่ะไม่จำเป็นเพราะเราเป็นพระเราไม่ได้ทำงานหนักหนาอะไรแต่เราภาวนาเราไม่ได้ทำงานหนักทานอาหารเพียงมื้อเดียวพอถ้าถ้าทานอาหารทั้งวันละ่ะใครจะเอาอาหารมาให้เราทานเป็นเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายกับชาวบ้านเขาพอเราเป็นพระเราเป็นผู้ ตัดขาดออกมาจากชาวบ้านแล้วมาจู่ตามลําพังเราขอรบพวนอาหารเขาวันละมือ้อก็น่าจะเพียงพออันนี้คือเหตุผลของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้พิจารณาวางเอาไว้เรามาพิจารณาดูแล้วก็บพระพุทธเจ้าตรัสมีเหตุมีผลเไม่ใช่ว่าเราเข้ามาบวชแล้วก็ร บ, บกวนชาวบ้านเขาต้องวี่ทั้งวันทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งเที่ยงจนทําให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนไปหมด ทาอย่างนั้นจะบวชทำไมในเมื่อเขามาบวชแล้วก็ควรจะอยู่ในกรอบแล้วก็เราทานอาหารมื้อเดียวที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็จริงนะครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านบอกเออทักพระทานอาหารและขาดอาหารเป็นโรคขาดอาหารในพระกรรมฐ า, านหลวงปู่หลวงตาก็คงจะตายไปมากต่อมากแล้วอันนี้มันท่านก็อายุยืนกว่าชาวบ้านอีกต่างหากพออราะเหตุได เพรท่านมีอาหารน้อยใจของท่านมีความสุขดาวหักคนใดก็าตามถ้ากินอาหารตามอําเภอใจตามอัธาใจกินเข้าไปแล้วนะี่ยกลิ่งไปกลิ่งมาเหมือนกระหมูอยู่ในขอกในเล้านะ่ะเป็นยังไงเพราะมันกินอิม่มคนที่กินทานอาหารอิม่มปัญญาเขาจะน้อยเพรามันอ้วนมีแต่กินเข้าไปแล้วกั หลับปื้ตาลืมไม่ขึ้นนะนี่จะหลับตาปือ้อยู่งั้นเหมือนกระหมูอยู่ในเล้าพระพุทธเจ้าอันาว่ายอย่างนั้นเพราะนั้นอย่าทานเกินไปอย่าทานให้รู้จักประมาณในการบริโภคโภชเนมัตตัญจุตารู้จักประมาณในการบริโภคอย่าให้มันมากเกินไปอย่าให้น้อยเกินไปแต่ขนาดเราทานมื้อเดียวครูบาอาจารย์ท่านยังให ทดลองอดดูสิทำไมจึงให้ท ด, ทดลองอดอีกท่านบอกว่ามันรู้แก่ใจว่าเราทานอาหารเมื่อหนึ่งนะเป็นยังไงเวลาภาวนามันเป็นยังไงจิตใจของเรามันดีดไหมจิตใจของเรามันหมูบมันมันหมอบไหมจิตใจมันปุงฟุ้งซ่านไหมแต่ถ้าเราทานอาหารมากเกินไปใจของเราก็มันมีแต่งูกงวงมันภาวนา จิตใจไม่ชอบคิดไม่ชอบพิจารณาแต่เนี้ยถ้าพอเราอดอาหารอาหารในท้องไม่มีเราภาวนาจิตใจของเราก็โดดเด่นสมาธิเราก็ดีสติของเราก็ดีอันนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าถูกกับจริตในการอดอาหารแต่ถ้าว่าเราอดอาหารไปแล้วมีแต่หิวกระหายกระวนกระวายอันนั้นเราก็ต้องพยายามผ่อนทดลองผ่อนดูซิเป็นยังไง อันนี้ก็คือการทดลองทดสอบในการปฏิบัติของตนเองไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วก็กินตามอมเภอใจนอนตามอมเภอใจทานให้มากนอนให้มากอย่างนั้นหรือว่าเข้ามาแล้วก็เอ อ, เอทำทำอย่างนี้ก็ทาตามแต่ไม่ได้สังเกตตนเองคือทุกอย่างให้สังเกตตนเองพยายามสังเกตตามแนวแถวของ ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้ถ้าพวกเราใช้สติใช้ปัญญาสังเกตตนเองอย่า ง, ง น, นั้นนั่นแหละจิตใจของเราก็จะก้าวกระโดดไม่ใช่ธรรมดาอย่างนั้นแหละจิตใจของเราก็จะมีความสงบพรมเย็นเป็นสุขรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักสิ่งไหนควรยึดไม่ใช่ปล่อยวางทั้งหมด ยึดอะไรยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ยึดพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นแนวทางปล่อยวางอะไรปล่อยวางสิ่งที่มันชั่วช้าเสียหา ย, ยากิเลสราคะโทสะโมหะที่อยู่เข้ามาสู่จิตใจของเราเราปล่อยวางไม่นำมาคิดนํนำมาประพฤติปฏิบัติต้องแยกแยะให้ออกสิ่งไหนที่เรามันจะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนะั้นมีอะไรบ้าง ที่ทำให้เราเป็นทุกจิตทุกใจทุกวันนี้มีอะไรบ้างเราก็ต้องแยกแยะดูเพราะเราลุ่มหลงลุ่มหลงอะไรลุ่มหลงกามกิรเลสเรื่องการมมรกิเลสพระพุทธเจ้าทุกสัตว์ทุกตัวต้องมีเรื่องการมกิรเลสแต่จะทำยังไงพระพุทธเจ้าให้พิจารณาให้ทานอาหารทานอาหารหน้อยจากนั้นให้กำหนดให้พิจารณาร่างกายของตนเอง ร่างกายของเรามีอะไรบ้างร่างกายของคนเราที่นั่งอยู่เนี่ยมีโครงกระดูกเป็นโครงโครงสร้างของร่างกายถ้าว่าไม่มีกระดูกร่างกายนี้จะเป็นยังไงมันก็จะแฟบลงไปเหมือนกระถุงหนังไม่มีอะไรมีแต่น้ำถ่วงเกลี้ยงมันจุน้ําจะมีกระดูกขึ้นมามันก็เป็นโครงรูปร่างกลางตัวอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นนะโครงกระดูกเป็นโครงสร้าง พ, พระพุทธเจ้าก็ให้ดูโครงกระดูกซิเออมันจะแน่นหนามันคงถึงขนาดไหนให้พิจารณาดูโครงกระดูกนะั้นมันไม่แน่นหนานะแต่มันขยายตัวนะเอสมัยก่อนโครงกระดูกเล็กคือเด็กเล็กต่อมาทานอาหารทานอาหารทานอาหารถูกลักษณะเข้าไปมันก็ขยายตัวขึ้นมาโครงกระดูกขยายตัวะอใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ถึงจะใหญ่ขนาดไหนก็มันก็มี ปริมาณของมันเหมือนกันชาติไหนภาษาไหนคนไหนเนี่ยพอมกรงอกคือมาถึงจุดจุดขีดของมันแล้วมันก็หยุดอันนี้ก็คือโครงสร้างของมนุษย์แต่ก่อนพิจารณาตั้งแต่กะโหลกศีรษะจนถึงนิ้วเท้าดูซิอันนี้แหะคือโครงสร้างของมนุษย์โครงสร้างของคนแต่ที่ยังไงก็ตามโครงสร้างนี้ จะมีอายุการใช้งานมากเท่าไหร่เพราะทุกอย่างมันก็ต้องมีอายุการใช้งานอย่างรถคันหนึ่งเนี่ยเ้าจะทำแข็งขนาดไหนรถยุโรปเนี่ยการใช้งานก็มากกว่ารถญี่ปุ่นรถเกาหลีไต้หวันรถประเทศอื่นๆเพราะเหตุไยเพราะว่าวัส ด, ดุวัตถุที่เขานามาใช้ประกอบรถนั้นไม่มีคุณภาพพอแต่ถือยังไงรถทุกคัน มีอายุการใช้งานกี่ปีกี่เดือนอันนี้ก็เหมือนกันคนเราที่มีร่างกายก็มีอายุอย่างนั้นเหมือนกันอายุการใช้งานของมนุษย์แต่ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าเราจะพูดอย่างนั้นทีเดียวก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าร้อยปีคือมาตรฐานการใช้งานของร่างกายไม่ใช่บางทีอเพราะว่า มนุษย์ของเรานะ่ยมันมีอยู่ในร่างกายนะี่คือสองสองอย่างคือนามธรรมกับรูปธรรมเนะี่ยรูปธรรมคือร่างกายคือรถนะส่วนนามธรรมนะคือจิตใจคือตัวนามธรรมมองไม่เห็นแต่ว่าตัวนี้แหละสาคัญแต่ตัวนี้ไปทาไปําเออไปขโมยเข้ามาเออไปทําไม่ดีไปป้นไปคดไปโกงใช้รถคันก่อนเนนะเอย ไปชนเข้ามาไปฆ่าเข้ามาไปขโมยของเขามาไปขโมยสิ่งของเข้ามาไปจับล้มคนเรียกค่าไทยได้เงินมาพอมาเกิดชาตินี้นั่นแหละบาปกรรมคือตำรวจคือบาปกรรมคือตำรวจจะต้องจัดการไล่บีเราเลยเหลือไ็่งั้น แ, แต่ทนี้นี่นแหละชนนั้นจะอยู่นานเท่าไหร่ อยู่ถึงยี่สิบสามสิบปีซะก่อนหรือร้อยปีซะก่อนอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่ถ้าเขาไล่ทันเมื่อไหร่ก็จับเข้าคุกเมื่อนั้นมางั้นแหละเพราะเห็ไหุไรเพราะตัวเองทํากรรมชั่วไว้แล้วถ้าเขาจะตามทันเมื่อไหร่เขาก็จับเข้าคุกเน ข, ข้าขังในตารางอางนี่แหละเมือ่อตายมา ง, งั้นรักษณะอย่างนั้นแหละเมื่อเราไปฆ่าสัตว์เขามาก่อนพระพุทธเจ้าท่านบอกผู้ใดก็าตามชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็น อาจินหรือเป็นบ่อยๆเกิดมามีชอบฆ่าเขาเกิดมาพบต่อไปชาติต่อไปชีวิตของเขาจะตายเร็วสั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาได้ทำกลม คือการฆ่าสัตว์การฆ่านี่มากไว้ในอดีตเพราะนั้นเราเห็นน่คนเกิดมาแล้วตายถึงวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนก็เถิดนะไม่ว่าประเทศไหนคนก็ยังตายอยู่เพราะเหตุไรเพราะว่าวิญญาณของเด็กคนนั้นนที่มาเกิดนั้นเขาได้ทํากรรมไม่ดีไว้ในอดีตเขาชอบฆ่าสัตว์พอเกิดมาท้องแม่พอพ้นออกจากท้องแม่ก็ตายเพราะเหตุไร เพราะว่าบาปกรรมของเขาชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในอดีตชาตินี่แหละ พ, พระพุทธองค์ท่านมองท่านรู้ท่านเห็นหมดสรุปแล้วคือคือกรรมคือการกระทำกรรมชั่วอย่าทำเสียยดีกว่าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเพราะกรรมชั่วนั้นจะต้องให้ผลือเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นทแต่กรรมดี สังสมแต่คุณงามความดีคิดดีทำดีพูดดีคิดดีนันคืออะไรคิดไม่โลภอยากจะได้ของเขาคิดไม่พยาบาทปองร้ายเขาคิดอยู่ในทํานองครองธรรมเห็นถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิในทํานองครองธรรมนี่คือคิดถูกนะแล้วก็ทำถูกนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมแล้ก็ไม่ดึงสุรา อันนี้ก็คือทำถูกพูดถูกไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำอยากไม่พูดให้คนอื่นเขาเสียหาย เ, าเดือดร้อนเสียหายเพราะคำพูดของเราอันนี้ก็คือคำพูดดีพุทธานเราจึงว่าพระพุทธเจา้าบอกคิดดีให้คิดให้ดีเมื่อคิดดีแล้วทำก็ดีพูดก็จะดี พอใจจึงได้รับการสมควรอย่างยิ่งจะต้องได้รับการอบรมอบรมอย่างไรอบรมไปในทางที่ดีเอาธรรมะทำคาสอนของพระพุทธเจ้ า, าอบรมใจเมื่อใจดีแล้วใจมีเหตุมีผลแล้วเวลาคิดอะไรก็คิดดีเพราะว่าคิดออกนอกรูนอ ก, นอกทางมาคิดชั่วทําให้คนตนและผู้อื่นเดือดร้อน เมื่อได้รับการอบรมดีแล้วใจได้รับการอบรมดีแล้วใจดีแล้วใจมีเหตุมีผลแล้วใจมีคุณธรรมใจมีจริยธรรมในจิตใจแล้วเมื่อทําออกไปก็ทําดีก็ทําดีเมื่อพูดออกไปก็พูดดีเพราะใจของเราได้รับการอบรมเป็นศีลเป็นธรรมแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาอบรมใจที่นี่ ที่เข้ามาเนยจะอบรมยังไงจึงจะอบรมใจได้เนี่ยเราจะอบรมยังไงอบรมใจในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านฝึกพระ อ, องค์ว่านั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออกไม่ต้องคิดถึงอดีตที่ผ่านมา ไม่ต้องคิดถึงอนาคตที่ยังไม่ถึงให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้เวลานี้บริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธนี่แหละคือการฝึกกุญแจดอกแรกเบื้องต้นในเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบจิตใจไม่ปรุงไม่พุง้งไม่ซ่านจิตใจไม่หิวไม่หวยไม่กระวนกระวายจิตใจสงบแล้วนั่นแหละเทนิท่านบอกว่านัตติสันติปรังสุขขัง ความสุขอื่นยิ่งกว่าจิตใจสงบไม่มีพวกเราเห็นแต่ความปุ่งปุ่นวายคิดนูน่นคิดนี้ไม่รู้ว่าคิดถึงใครต่อถึงใครมันเป็นไงมีความสุขไหมบางทีขึ้นขึ้นมาก็ร้องไห้อีกต่างหากมันจะเป็นบ้าเป็นบ่อเพราะความคิดของตอนเองแล้วจะไปคิดทำใหม่เราต้องพยายามทําจิตใจให้อยู่ด้วยความสงบสิเรามาศึกษาทำคําคสอนตามทำคําคสอนของพระพุทธเจา้า พระพุทธเจ้าว่านัตถิสันติปรังสุ ข, ขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราจะไปฝืนพระพุทธเจ้าได้ยังไงเราคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดผิดความปุ่งฟงสารคิดถึงกูนั่นคิดถึงเครื่องนี้คิดเรื่องการเรื่องงานคิดถึงโลกวัตะสงสารคิดไปเที่ยวคิดไปเตะ ค, คิดอยากจะดูหนังฟังรํามันมีความสุขกว่า อันนี้เราฝืนทําคําสอนของพระพุทธเจ้าคิดไปเท่าไรก็นัน่นแหละทีนี้คิดไปเท่าไรก็ยิ่งทุกข์ทีนี้ขนทุกข์เข้ามาสู่จิตใจมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายทีจิตใจไม่ปกติและทีนี้คิดมากเกินไปเผลอๆ เ, เป็นบ้าได้ไง่ายง่แต่ถ้าว่าพวกเราอยู่ในอารมณ์เป็นหนึ่งอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนทดลองดูสิเราไม่คิดทั้งวันไม่คิดเจดวัน ไม่คิดชักเดือนหนึ่งให้มันอยู่ในอารมณ์เป็นหนึ่งเป็นยังไงครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านการประพุทธปฏิบัติมาแล้วท่านบอกว่าถ้าทําบังคับได้อย่างนั้นนั่นแหละพวกเราท่านทั้งหลายจะมีความสุขแต่ก่อนใจของเราไปในทิศ ท, ทั้งสี่เหมือนกับช้างมันไปตามอาเภอใจอยงคิดตามอาเภอใจพูดไปตามอาเภอใจ มันไปตามอเยาเภอใจของช้างแต่บัดนี้ช้างาต้องบังคับคอยขอให้ช้างทำงานให้ช้างอยู่ในความสงบนี่แหละต้องบังคับนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจา้าท่านเปรียบเทียบนะน้ำใจของเราเนี่ยถ้าปล่อยไปตามอเยาเภอใจมันจะหาความสุขไม่ได้แต่ถ้าเราบังคับคือสตินี่นะ คือขอเนอะขอตะขอเนะี่ยที่จะจับหัวช้างอ่คือสติบังคับให้ใจอยู่ให้ใจนิ่งในเมื่อใจนิ่งใจสงบแล้วนั่นแหละไม่มีเรื่องมีราวเลยนะมีแต่ความสงบโร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้น พ, พวกเรามาฝึกนะการมาบวชมันไม่ใช่มาอย่างอื่นนะเไม่ใช่ว่าจะมาหาความสุขในการบวชอยู่กินในการบวช สองแสวงหาความสุขเรื่องอยูเรื่องกินเรื่องพับหลับเรื่องนอนเรื่องพูดเรื่องคุยเรื่องอะไรในการบวชอันนั้นแปลว่าเราคิดผิดใช่แล้วการเข้ามาบวชเนี่ยพวกเราต้องมาดูใจของตนเองแต่และ ว, วันแต่และเวลาเนี่ยใจของเราคิดเรื่องอะไรที่พระพุทธเจ้าเป็นบร ม, มครูท่านไปอยู่ในป่าดงพงไผ่ท่านไปสู้กับอารมณ์ทางใจของท่านต่อนางตันหาราคาอราดี ที่มารบ ก, กวนพยาบาลมารบ ก, กวนก็คืออะไรคือใจของพระองค์ส่งนอกเ่ส่งไปทางราคะส่งไปทางโทสะส่งไปทางโมหายุ่งเหงื่วุ่นวายไปหมดเนี่ยจนตั้งจิตอธิษฐานถึงความสัตย์ความจริงขององค์กว่าอธิษฐานข้าพระเจ้าจะไม่คิดออกไปข้างนอกข้าพระเจ้าจะให้จิตใจอยู่เป็นหนึ่งเนี่ยจิตอธิษฐานพระพุทธเจ้าจึง มีนางธรณีปิดมุ้ยผมพยามารทั้งหลายจมน้ําไปหมดนะเพราะเหตุอะไรเพราะสัจจะคือความจริงจังและจริงใจของพระพุทธเจ้ากิเลสทั้งหลายทั้งปวงที่เคยคิดเคยผ่านมาแล้วนะั้ลมละหายระเนระนาดไปหมดเนี่ยมีแต่ความโดดเด็นในจิตใจจิตใจเป็นอิสระจิตใจไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสราคะโทสะโมหะจิตใจเป็นหนึ่งค่ะ จากนั้นก็มีความสุขจากนั้นเมื่อจิตใจเป็นหนึ่งแล้วพระองค์จึงแนะนําจิตใจที่เป็นหนึ่งนั้นมาพิจารณาคลี่คลายว่าจิตใจดวงนี้ทํำไมจึงเป็นอย่างนี้ผลทีสุดก็ท่านก็ได้ตัดสู้รมในวันเดือนหกเพ็นจังหวัดได้ตัดสู้อาสาวกยายานพระพุทธองค์บอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราไม่มาเกิดอีกแล้วเรากําจัด สิ่งที่แฝงอยู่ในจิตใจของเราออกหมดแล้วคือก oh ิเลสราคะโทสะโมหะนี่แหละพวกเราเข้ามาบวชมาไม่ใช่มาบวชเพื่ออย่างอื่นนะถ้ามาบวชเพื่ออย่อื่พนัเดินมาผิดทางแล้วถ้าเราเข้ามาบวชเพื่อชําระใจตนเองคนที่จะมาชําระใจตนเองมีเรื่องนิดหน่อยตอนเองนะเออไม่ได้ปรุงคิดไปเลอะไรมากแต่คนเข้ามาบวชเข้ามาแล้วถ้าหากว่าปุง มุ่งหวังทางอื่นนั่นแหะมันขวางหูขวางตาไปหมดเห็นอะไรเห็นมดก็ขวางกับมดเห็นยุงก็ขวางกับจุงเห็นหมาก็ขวางกับหมาเห็นนกก็ขวางกับนกว่นั้นนะเห็นต้นไม้ก็ขวางชนกระทั่งจะชนกระทั่งต้นไม้เดินไปว่านั้นะมันขวางมันขวางไปหมดเพราะเหตุไรเพราะมันคิดออกนอกตู้นอกทางจิตใจมันออกมันไม่อยู่กับกรอก ถ้าจิตใจที่หวังพ้นทุกมาอยู่มาฝึกหัดมาดูจิต ด, ดูใจแล้วนั่นแหละเทไงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันออกไปจากใจทั้งหมดมันเรื่องนิดเดียวตัวเอเราจะทํำยังไงใจของเราจริงจะพ้นทุกในวัฏฏ์สงสารจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกพอเราเกิดมาพบนิชชาตินี้เราก็เห็นอยู่แล้วกินแล้วก็ถ่ายถ่ายแล้วก็มากินอีกวันพุ่งนี่จากนั้นก็หัวเราะ จากนั้นก็แก่แก่แก่ไปเรื่อยเดี๋ยวก็ฟันหลุดเดี๋ยวก็ตาฟ้า ฟ, า, ฟางเดี๋ยวก็หูหนวกเดี๋ยวก็เข้าโรงพยาบาลกินมากก็ไม่ได้ไขมันมันสูงอีกไตคิดจะลายคอเลสเตอรอลเดี๋ยวก็ปัสสาวะใหม่ออกอีกเท่าแก่ชรลามาแล้วอะไรคือความสุขเกิดมาพบหน้าชาติอาก็จะต้องเป็นอย่างนี้เองฮะเกิดมากี่พบกี่ชาติก็ต้องเป็นอย่างนี้เองเพราะพรธเจ้าท่านมองเห็นแล้วถ้าเกิดเป็นทุกข์ อ่าท่าพูดอย่างไรเลแก่เป็นทุกตายเป็นทุกเกิดมาก็ต้องตายเองเกิดมาชาติาก็ตายเองแล้วจะทำอย่างไงพระพุทธเจ้าจึงไปค้นคว้าศึกษาหาหนทางนี่ยยังว่าได้บวชนี่แหละมีหนทางทางเดียวคือบวชเท่านั้นจึงจะเป็นหนทางที่เป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องยุ่งเหยิงกับวุ่นวายการอยู่การฉันก็น้อยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องตน้นฉันมื้อเดียวก็น่าจะเพียงพอ จากนั้นก็เราก็หาทางพ้นทุกข์ในจิตในใจของพวกเราเนี่แหละหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ามีจุดประสงค์อย่างนี้รักษาศีลภาวนาปฏิบัติเพื่อหาทางพ้นทุกข์ไม่ให้มาเวียนว่ายตายเกิดในในวัฏสงสารอกีกเพราะเกิดมากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเกิดเป็นเศรษฐีเราโอ้เศรษฐีรวยวะ่ะไปที่ไหนสะดวกแต่ถ้าเราไปถามใก ล, ใกล้ๆท่านเศรษฐี ท่านมีความสุขไหมโอ้อผมอปวดท้องผมปวดหลังเอผมปวดตรงนั้นตรงนี้อย่งผมไม่สบายผมนอนไม่หลับถ้าเราไปใกล้ๆถามเศรษฐีถามใครก็เถอะนะลักษณะอย่างนั้นเกือบทั้งหมดนั่นแหละเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนของเรามีแต่ใจของเราเท่านั้นน่ะ เข้ามายึบมาคลองมายึดถวักเป็นของเราแต่ใจของเรากายของเราเนี่ยมันไม่ใช่ล่ะมันไม่ยอมเป็นเออเป็นลูกน้องของเรามันเป็นอื่นอยู่เสมอว่างั้นแหละเนี่ยมีแต่ใจของเราเนี่ไปกราบแล้วกราบอีก ด, ดูแล้วแล้วดูแลอีกห่มผ้าแล้วห่มผ้าอีกพาไปหาอาหารมาฉันแล้วฉันอีกตัวเนี่ยพระพุทธเจ้าหน้าเบื่อนะคิดดูให้ดีนะใจนะเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนทำให้แก่พวกเราคนนั้นขอให้พวกเราทุกท่านเนะอย่าหลงโลกหลง ทางจนเกินไปหลวงวัดตดสงสารจนเกินไปให้รู้เท่ารู้ทันเอาไวา้ถึงหลวงพ่อจะไปจันทบุรีก็เถอดนะหลวงพ่อไม่เคยลืมนะความตายของหลวงพอ่อท่านรถตกถนนลงไปก็เหมือนนั้นแหละเพรานั้นแหละเดินรถชนรถเฉียวถึงไมเ่เฉียวไม่ชนก็แต่หัวใจวายขึ้นมาก็เมืออะไรก็เมือนนั้นอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นชีวิตมันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะนั้นให้ช่วงไหนที่ สังสมคุณงามความดีได้พอจะสังสมคุณงามความดีได้ให้สังสมให้สะสมคุณงามความดีอย่าไปคิดถึงคนอื่นถึงจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมหลวงพ่อก็เถอะนะหลวงพ่อจะพึ่งได้อะไรเวลาตัวเองจะตายอะไรพ่อแม่จะช่วยอะไรได้พี่น้องจะช่วยอะไรได้ขนาดหมอก็ยังช่วยอะไรเดาไม่ได้ช่วยได้หน่อยเดียวตนเองกระฐานตัวหมอเองตัวหมอก็ยังตายฮะ เราคิดอย่างนั้นสิหมอไหนที่ไม่ตายในโลกมีไหมเราคิดดูให้ดีคิดใช้ปัญญาคิดให้รอบขอบถ้าคิดให้รอบคอบนั่นแหละกรรมคือการกระทําต้องเชื่อกรรมอย่าไปทํากรรมชั่วให้ทําแต่กรรมดีถ้าเทากรรมดีแล้วให้เชื่อกรรมถึงข่าวไปแล้วเหรอเอาไปก็ไปสิวะเราก็ไม่เห็นทําความชั่วเสียหายที่ตรงไหนนมันเชื่อมั่นขนาดนะั้นถ้าเราทํากรรมดีแล้วนะอต่อเนี้ไปรับพรอนุโมทนาให้พร